ชาคติยบบพะวรรณนาฝ่ายพระชาลีราชกุมารให้ตั้งค่ายแทบฝั่งสมุจจรินให้กลับรถหนึ่งมืนสี่พันคันให้วางหันหน้าไปท า, ทางทางที่มาแล้วให้จัดการรักษาสัตว์ ร, ร้ายมีราชสีเสือโครงเสือเหลืองและแรดเป็นต้นในประเทศนั้นๆ เสียงพาหะทั้งหลายมีช้างเป็นต้นอื้ออึงสนันครั้งนั้นพระเวสสันดรมหาสัตว์ได้ทรงสดับเสียงนั้นก็ทรงกลัวแต่มรณะภัยด้วยเข้าพระไยว่าเราปัจจามิตรของเราปลงพระชนพระชนกของเราแล้วมาเพื่อต้องการตัวเรากระมังหนอจึงพาพระนางมัทสีเสด็จขึ้นภูเขาทอดพระเนตรดูกองทัพ พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าพระเวสสันดรได้ทรงสดับเสียงกึกก้องแห่งกองพลเหล่านั้นก็ตกพระไทยกลัวเสด็จขึ้นภูเขาทรงหวาดกลัวทอดพระเนตรดูกองพลเสนาตรัสว่าแน่มัดสีเชิญมาดูสิเสียงอันกึกก้องเช่นใดในป่าม้าอาชาในทรงเสียงร้องกึกก้อง เห็นปลายธงปลิวสวัยนายพรานไพรทั้งหลายเหล่านี้ขึงไข่ล้อมฝูงเนื้อในป่าไล่ต้อนให้ตกลงในหลุมแล้วไล่ทิ่มแทงด้วยหอกเลือกเอาแต่ตัวพีพีชั้นใดเราทั้งสองก็ฉันนั้นเป็นผู้ไม่มีโทษผิดถูกขับไล่จากแว่นแคว้นมาอยู่ในป่าย่อมเป็นผู้ต้องตกอยู่ในเงื้อมมือของพวกอมิตรเป็นแน่ เธอจงดูบุคคลผู้ประหารคนไม่มีกำลังบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเชิญอิงคะเป็นนิบาตลงในอัดว่าตักเตือนคำว่ามาดูสินิสาเมหิความว่าเธอจงดูคือใครครวนดูว่ากองทัพของเราหรือกองทัพ ป, ปรปักษ์การเชื่อมความของสองคาถากึ่งว่าเหล่านี้ในป่าอิเมนูนะ อรัญยมหิเป็นต้นพึงทราบอย่างนี้แน่พระนองมะสีพวกพรานล้อมฝูงมรึกในป่าไว้ด้วยข่ายหรือต้อนลงหลุมพูดในขณะนั้นว่าเฮ้ยพวกเจ้าจงฆ่าสัตว์ ร, ร้ายเสียทิมแทงด้วยหอกสำหรับฆ่ามารึกอันคมเลือกฆ่ามารึกเหล่านั้นเอาแต่ตัวล่ำล่ำชันใดชนเหล่านี้ทิมแทงพวกเรา ด้วยวาจาอันเป็นของอสสัตว์บุรุษจกฆ่าเสียด้วยหอกอันคมฉันนั้นเหมือนกันอันหนึ่งพวกเราผู้ไม่มีความผิดถูกขับไล่คือในประเทศออกจากแว่นแควนมาอยู่ในป่าแม้เมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเราจะตกอยู่ในเงื้อมมือของพวกศัตรูข้อว่าตกอยู่ในเงื้อมมือของพวกอมิตร์อมิตตะหัต ถ, ถะคตา ได้แก่ถึงความฉิบหายด้วยมือของเหล่าอมิตรพระเวสสันดรทรงคล่ำคลวนเพราะกลัวต่อความตายอย่างนี้ว่าเธอจงดูบุคคลผู้ประหารคนไม่มีกำลังปัสสะทุพภะคาตะกังพระนางมัตสีได้ทรงสดับพระราชดำรัสจึงทอดพระเนตรกองทัพก็ทรงทราบว่าเป็นกองทัพของตน เมื่อจะให้พระมหาสัตว์ทรงเบาพระหฤทัยจึงตรัสคาถานี้ว่าพวกอมิตรไม่พึงย่ายีพระองค์เปรียบเหมือนไฟคมเหงห่วงน้ําไม่ได้ฉะนั้นขอพระองค์จงระลึกถึงพรข้อนั้นแหละแต่นี้ไปจะพึงมีแต่ความสวัสดีโดยแท้บรรดาคำเหล่านั้นข้อว่าเปรียบเหมือนไฟคมเหงห่วงน้ําไม่ได้ฉนั้น อคิวาอุทกะกันนเวความว่าไฟที่ติดด้วยคบหญ้าเป็นต้นย่อมไม่ขมเหงน้ำทั้งกว้างทั้งลึกกล่าวคือทะเลคือไม่อาจทำให้ร้อนได้ฉันใดปัจจามิตรทั้งหลายย่อมขมเหงพระองค์ไม่ได้คือขมขี่ไม่ได้ฉันนั้นคำว่าพรข้อนั่นแหละตะเทวะความว่า พระนางมสีให้พระมหาสัตว์เบาพระไทยว่าก็พรอันใดที่เท้าศักดิ์เทวราชประทานแด่พระองค์ตรัสว่าข้าแต่พระมหาราชไม่นานพระชนกของพระองค์จะเสด็จมาขอพระองค์จงพิจารณาพรข้อนั้นเถิดความสวัสดีพึงมีแก่พวกเราจากคนนิกายนี้เป็นแน่แท้ลำดับนั้นพระมหาสัตว์ ทรงบรรเทาความโศกให้เบาลงแล้วพร้อมด้วยพระนางมาัซีเสด็จลงจากภูเขาประทับนั่งที่ทวารบรรณศาลาฝ่ายพระนางมาัซีก็ประทับนั่งที่ทวารบรรณศาลาของพระองค์พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นพระเวสสันดรราชเสด็จลงจากภูเขาแล้ว ประทับนั่งในบรรณศาลาทรงท ร, รพระมนั์ให้มั่นคงบรรดาคาเหล่านั้นคำว่าทรงท ร, รพระมนั์ให้มั่นคงทันลหังกตวานะมานะสังความว่าประทับนั่งทรรมพระหฤรไทยให้มั่นคงว่าเราเป็นบรรพชิตใครจะทำอะไรเราได้ขณะนั้นพระเจ้าสัญชยัย รัสเรียกพระนางพุสดีราชเทวีมารับสั่งว่าแน่ ä, ผุสดีผู้เจริญเมื่อพวกเราทั้งหมดไปพร้อมกันจกมีความเศร้าโศกใหญ่ฉันจะไปก่อนตอนนั้นเธอจงกําหนดดูว่าตอนนี้พวกเข้าไปก่อนจากบรรเทาความเศร้าโศกนั่งอยู่แล้วเธอพึงไปด้วยบริวารใหญ่ลําดับนั้น พ่อชาลีและแม่กันหาชินารออยู่สักครู่หนึ่งแล้วจงมาภายหลังแล้วให้กลับรถให้หันหน้าไปทางทางที่มาจัดการรักษาในที่นั้นนั้นสเสด็จลงจากคอช้างตัวประเสริฐซึ่งประดับแล้วสเสด็จไปสู่สานักของพระราชโอรสพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่า พระเจ้าสัญชัยราชบิดาดารัดสั่งให้กลับรถให้ประเทียบกระบวนทัพไว้แล้วเสด็จเข้าไปหาพระราชโอรสผู้ประทับอยู่ในป่าเดียวดายเสด็จลงจากคอช้างพระที่นั่งทรงเฉวียงพระอังสาประนมพระหัต์แวดล้อมด้วยหมู่อมย์เสด็จเข้าไปเพื่อทรงอภิเษกพระราชโอรสพระเจ้าสัญชัยได้ทอดพระเนตร เห็นพระเวสสันดรราชโอรสมีพระกายไม่ได้รูปไร้ตกแต่งมีพระหฤรุไทยแน่วแน่นั่งเข้าฌานอยู่ในบรรณาศาลาไม่มีภัยแต่ไหนบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าให้ประเทียบกระบวนทับไว้บุษธาเปตวานะเสนิโยความว่าให้พลนิกายตั้งพักรออยู่เพื่อประโยชน์แก่การอารักขา คำว่าทรงเวียงพระอังศาเอกังโศได้แก่ทำผ้าห่มเฉียงพระอังศาข้างหนึ่งคำว่าสเสด็จเข้าไปเพื่อทรงอภิเศกสินจิตุมาคามิความว่าสเสด็จเข้าไปเพื่ออภิเศกไว้ในราชสมบัติคำว่ามีพระกายมิได้รูป้ร้ตกแต่งรัมมรูปังได้แก่ มีได้รูปไล้และตกแต่งพระเวสสันดรและพระนางมัีทอดพระเนตรเห็นพระราชบิดาผู้มีความรักในพระโอรสนั้นกำลังเสด็จมาทรงต้อนรับถวายอภิวาทฝ่ายพระนางมัีทรงซบพระเสียรอภิวาสแทบพระบาทพระสัตสุระกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพหม่อมชันมัศีผู้สะพยของพระองค์ ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์พระเจ้าสัญชัยทรงสวมกอดสองกษัตริย์ประทับสวงฟาพระหัตลูบพระปิดแสดงอยู่ไปมาณอาสมนั้นบรรดาคําเหล่านั้นด้วยคําว่าผู้สะพายของพระองค์ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์ปาเทวันทามิเตหุสาความว่า พระนางมัีกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพหม่อมฉันผู้สะพายของพระองค์ขอถวายบังคมแทบพระยุคลบาทแล้วถวายบังคมคำว่าสองกษัตริย์นะอาสมนั้นเตสุตัทธะได้แก่กษัตริย์ทั้งสองนั้นนะอาสมที่เท้าสักกะเทวราชประธานนั้นคำว่าทรงสวมกอดปริสัชชะ ความว่าให้อิงแอบแน่พระสวงทรงจุมพิษพระเสียรทรงลูปพระปริสดางของสองกษัตริย์ด้วยพระหัตต์ อ, อ่อนนุ่มต่อนน้นพระเจ้าสัญชัยทรงกันแสงคร่ำครวญครั้นส่างโศกแล้วเมื่อจะทรงทมปฏิสันฐานกับสองกษัตริย์นั้นจึงตรัสว่าพระลูกรักลูกทั้งสองไม่มีโรคาพาธหรือหนอ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 จึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพชีวิตของข้าพระบาททั้งสองย่อมเป็นไปตามมีตามได้ข้าพระบาททั้งสองเป็นอยู่อย่างฝืดเคืองชีวิตเป็นอยู่ได้ด้วยการเที่ยวแสวงหามูลพลาผลข้าแต่มหาราชนายสารถีทรมานมาให้หมดพยศชันใด ข้าประบาททั้งสองย่อมเป็นผู้ถูกทรมานให้หมดลิตร์ฉันนั้นความยากแค้นย่อมทรมานข้าประบาททั้งสองข้าแต่พระมหาราชเมื่อข้าประบาททั้งสองผู้ถูกในประเทศมีชีวิตโศกเศร้าอยู่ในป่าเนืองนิดเนื้อหนังก็ซูบซีดเพราะไม่ได้เห็นพระชนกชนนีบรรดาคาเหล่านั้นคาว่าตามมีตามได้ ยาทิสิกีทิสาความว่าความเป็นอยู่ต่ําอย่างลุ่มๆุมดอนดอนข้อว่าฆ่าพระบาททั้งสองเป็นอยู่อย่างฝืดเคืองกะศิราชีวิกาโหมะความว่าฆ่าแต่พระบิดาความเป็นอยู่ของหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นทุกข์เพราะหม่อมชั้นทั้งหลายมีชีวิตอยู่ด้วยการเที่ยวเสาะสแสวงหามูลพลาหาร คำว่าให้หมดพยศอนิทินางความว่าข่าแต่พระมหาราชเจ้าความเข็นใจย่อมฝึกคนจนที่เข็นใจและความเข็นใจนั้นย่อมฝึกคือทำให้หมดพยศเหมือนนายสารถีผู้ฉลาดฝึกม้าฉนั้นหม่อมชั้นทั้งหลายอยู่ในที่นี้เป็นผู้เข็นใจอันความเข็นใจฝึกแล้วคือทำให้หมดพยศแล้ว ความเข็นใจนั่นแหละฝึกมอมชั้นทั้งหลายปาถะว่าทะเมทะโนดังนี้ก็มีความว่าฝึกมอมชั้นทั้งหลายแล้วด้วยคําว่ามีชีวิตเศร้าโศกอยู่เนืองนิดชีวิโสกินังพระเวสสันดรทูลว่าม่อมชั้นทั้งหลายมีความเศร้าโศกอยู่ในป่าจะมีความสุขอย่างไรได้ ก็แลครั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วพระเวศสันดรเมื่อจะทูลถามถึงข่าวคราวของพระโอรสและพระธิดาอีกจึงทูลว่าทายาทผู้มีมโนรสยังไม่สำเร็จของฝ่าพระบาทผู้จอมศรีพีรัตคือชาลีและกันหาชินาทั้งสองตกอยู่ในอำนาจของพรามผู้หยาบช้าเหลือเกิน มันต้อนตีเอาชาลีกันหาชินาทั้งสองนั้นเหมือนดังตีโคถ้าพระองค์ทรงทราบหรือทรงได้สดับข่าวลูกทั้งสองของพระราชบุตรีนั้นขอได้ทรงพระกรุณาตรัสบอกแก่ข้าพระบาทโดยเร็วพลันดังหมอรีพยาบาลคนที่ถูกงูกัดฉะนั้นเถิดบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าทายาทผู้มีมโนรถ ยังไม่สำเร็จทายาทั ป, ป ต, ตะมานะสาความว่าขค่แต่พระมหาราชเจ้าทายาทของพระองค์ผู้ประเสริฐของชาวสีพีมีมนับยังไม่ถึงแล้วคือมีมโนรสยังไม่สมบูรณ์ตกอยู่ในอํานาจของพรามพรามนั้นแกตีสองกุมารนั้นราวกับว่าคนตีโคถ้าพระองค์ทรงทราบ หรือได้สดับข่าวลูกทั้งสองของพระราชบุตรีมัตีนั้นด้วยได้ทอดพระเนตรเห็นหรือด้วยได้ทรงสดับข่าวก็ตามด้วยข้อว่าดังหมอรีพยาบาลคนที่ถูกงู ก, กัดฉนั้นสัปปะทัดถังวะมาณวังพระเวสสันดรกราบทูลว่าขอพระองค์ได้โปรดแจ้งให้ทราบคือตรัสบอกแกมอมชั้นทั้งสองทันที เหมือนหมองูเยียวยามานบที่ถูกงูกัดเพื่อสำรอกพิษเสียนั้นพระเจ้าสัญชัยตรัสว่ากุมารทั้งสองนั้นคือชาลีและกันหาชินาพ่อได้ให้ทรัพย์แกพรามไถ่ามาแล้วลูกรักเจ้าอย่าวิตกเลยจงเบาใจเถิดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าไถามาแล้วนิกกีตาได้แก่ให้ทรัพ์ไถ่ไว้แล้ว พระมหาสัตว์ได้ทรงสดับดังนั้นก็ทรงได้ความโปร่งพระหฤทัยเมื่อจะทรงทาปฏิสันถานกับพระบิดาจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระบิดาฝาพระบาทไม่มีโรคาพาธหรือหนทรงพระสําราณดีหรือพระจักสุแห่งพระชนนีของข้าพระบาทยังไม่เสื่อมเสียแลหรือบรรดาคำเหล่านั้นด้วยคาว่าพระจักสุ จักขุพระเวสสันดรทูลถามว่าพระเนตรของพระมารดาผู้ทรงกันแสงเพราะความเศร้าโศกถึงพระโอรสไม่เสื่อมเสียหรือพระเจ้าสัญชัยตรัสว่าลูกรักพ่อไม่มีโรคาพาธและสบายดีอันหนึ่งจักสุ ข, ของมารดาเจ้าก็ไม่เสื่อมพระมหาสัตว์กราบทูลว่า ยวดยานของพระองค์ไม่ได้สุดโทมหรือพาหณะยังใช้ได้คล่องแคล่วหรือชนบทเจริญดีอยู่หรือฝนไม่แรงหรือพระเจ้าข้าบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าฝนบุติได้แก่สายฝนพระเจ้าสัญชัยตรัสว่ายวดยานของพ่อไม่สุดโทมพาหนะยังใช้ได้คล่องแคล่ว ชนบทเจริญดีและฝนก็ไม่แรงเมื่อสามกษัตริย์ตรัสปราศัยกันอยู่อย่างนี้พระนางพุทดีเทวีทรงกำหนดว่าบัดนี้กษัตริย์ทั้งสามคงจะทำความโศกให้เบาบางประทับนั่งอยู่จึงเสด็จไปสู่สำนักพระโอรสพร้อมด้วยบริวารใหญ่พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่า เมื่อสามกษัตริย์ทรงสนทนากันอยู่อย่างนี้พระมารดาผู้เป็นราชบุตรีไม่ทรงฉลองพระบาทเสด็จดำเนินไปปรากฏที่ช่องเขาพระเวสสันดรและพระนางมาีทอดพระเนตรเห็นพระมารดาผู้มีความรักในบุตรกำลังเสด็จมาทรงต้อนรับถวายอภิวาท ฝ่ายพระนางมัตสีทรงซบเสียงกล้าวอภิวาสแทบพระบาทพระสัตสุกราบทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้ากล้ากระหม่อมชั้นมัตสีผู้สะพายขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระแม่เจ้าก็ในเวลาที่พระเวสสันดรและพระนางมัตสีถวายบังคมพระนางผุสดีเทวีแล้วประทับยืนอยู่ พระชาลีและพระกัญหาชินาทั้งสองอังกุมานกุมารีห้อมล้อมเสด็จมาถึงพระนางมสีประทับยืนทอดพระเนตรทางมาแห่งพระโอรสพระธิดาอยู่พระนางทอดพระเนตรเห็นพระโอรสพระธิดาเสด็จมาโดยสวัสดีก็ไม่สามารถจะทรงพระวรกายอยู่ด้วยภาวะของพระองค์ทรงคร่ำครวญเสด็จไปแต่ที่นั้น ดุดแม่โคมีลูกอ่อนฉะนั้นฝ่ายพระชาลีและพระกันหาชินาทอดพระเนรเห็นพระมานดาก็ทรงคร่ำครวญวิ่งตรงเข้าไปหาพระมานดาทีเดียวพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าก็พระโอรสทั้งสองผู้เสด็จมาโดยสวัสดีแต่ที่ไกลทอดพระเนรเห็นพระนางมัสี ก็คร่ำครวญวิ่งเข้าไปหาดังหนึ่งลูกโคโน้อยวิ่งเข้าไปหาแม่ฉะนั้นส่วนพระนางมาสัสสีพอทอดพระเนตรเห็นพระโอรสทั้งสองผู้เสด็จมาโดยสวัสดีแต่ที่ไกลทรงสั่นระรัวไปทั่วพระกายเหมือนแม่มดผีสิงฉะนั้นน้ำนมก็ไหลออกจากพระทันทั้งคู่บรรดาคําเหล่านั้นคําว่า ก็คร่ำครวญวิ่งเข้าไปหากันธันตาอภิธาวิงสุได้แก่ร้องไห้วิ่งเข้าไปหาข้อว่าทรงสันรรัวไปทั่วพระกายเหมือนแม่มดผีสิงฉะนั้นวารุณีวะปะเวเทนติได้แก่ตัวสันเหมือนคนทรงเจ้าที่ถูกผีเข้าคำว่าน้ำนมก็ไหลออกจากพระถันทั้งคู่ ธนธาราพิสินจัตะได้แก่สายน้ำนมไหลออกจากพระทันทั้งสองได้ยินว่าพระนางมัสีทรงคร่ำครวญด้วยพระสุรเสียงอันดังพระกายสันถึงวิสันยีภาพล้มลงเยียดยาวเหนือปัทภีฝ่ายพระชาลีและพระกัญหาชินาก็เสด็จมาโดยเร็วถึงพระชนนีก็ถึงวิสันยีภาพ ล้มลงทับประมารดาในขณะนั้นน้ำนมก็ไหลออกจากพระยุคลธาตของพระนางมสิีเข้าพระโอส์แห่งกุมารกุมารีทั้งสองนั้นได้ยินว่าถ้าจักไม่มีน้ำนมไหลเข้าประมาณเท่านี้พระกุมารกุมารีทั้งสองจักมีหาไทยแห้งพินาศไป ฝ่ายพระเวสสันดรทออพระเนตรเห็นพระปิยบุตรบุตรีก็ไม่อาจทรงกลั้นโศกาดูนไว้ถึงวิสัญยีภาพล้มลงณที่นั่นเองแม้พระชนกและพระชนนีแห่งพระเวสสันดรก็ถึงวิสัญยีภาพล้มลงในที่นั้นเหมือนกันเราอมสาตหกหมื่นคนผู้สหชาติของพระมหาสัตว์เห็นกิริยาของหกษัตริย์ดังนั้น ก็ถึงวิสัญยีภาพลม้มลงณที่นั้นเหมือนกันบรรดาราชบริพานทั้งหลายที่เห็นเหตุการณ์อันน่าสงสารนั้นแม้คนหนึ่งก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้โดยภาวะของตนอาสมบททั้งสิ้นได้เป็นเหมือนป่ารังอันลมยุคันตวาดย่ำยีแล้วขณะนั้นภูเขาทั้งหลายก็บรือลั่นมหาปัฐพีก็วันไว มหาสมุทรก็กระเพื่อมเขาสิเนรุราชก็โอนเอ็นไปมาเทวโลกทั่วกามาผจรก็เกิดโกลาหนเป็นอันเดียวกันครั้งนั้นท้าวสักกะเทวราชทรงดำริว่ากษัตริย์ทั้งหกองค์พร้อมด้วยราชบริษัทถึงวิสัน ญ, ญีภาพไม่มีใครแม้คนหนึ่งที่สามารถจะลุกขึ้นรดน้ำลงบนสรีระของใครได้เอาเถอะ เราจักยังฝนโบกครพัดให้ตกลงเพื่อชนเหล่านั้นในบัดนี้แล้วยังฝนโบกครพัฏให้ตกลงณสมาคมแห่งกษัตริย์ทั้งหพระองค์บรรดาชนเหล่านั้นชนเหล่าใดใครให้เปียกชนเหล่านั้นก็เปียกเหาชนที่ไม่ต้องการให้เปียกน้ําฝนแม้สักหยาดเดียวก็ไม่ตั้งอยู่ในเบื้องบนแห่งชนเหล่านั้น เพียงดังน้ำกลิ้งตกไปจากใบบัวฉะนั้นฝนโบกขรพัดนั้นเป็นเหมือนน้ำฝนที่ตกลงบนใบบัวด้วยประการชนนี้ในการนั้นกษัตริย์ทั้งหกพระองค์ก็กลับฟื้นพระองค์มหาชนทราบความมหัศจรรย์ว่าฝนโบกขรพัดตกนสสมาคมพระญาติแห่งพระมหากษัตริย์และแผ่นดินไหวพระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าเมื่อพระญาติทั้งหลายมาพร้อมกันแล้วขณะนั้นได้เกิดเสียงสนั่นกึกก้องภูเขาทั้งหลายสั่นสะท้านแผ่นดินไหวสะเทือนฝนตกลงเป็นท่อทานครั้งนั้นพระเวสสันดรราชได้สมาคมร่วมด้วยพระญาติคือพระราชาพระเทวีพระโอรสพระสุนิสา และพระราชนัดดาทั้งสองพระองค์พระญาติทั้งหลายมาประชุมพลักพร้อมกันแล้วณการใดในการนั้นได้เกิดความอัศจรรย์น่าขนพองสยองกล้าวประชาราชนทั้งปวงพร้อมใจกันประนมมือถวายบังคมพระมหาสัตว์คร่ำครวญทูลวิงวอนพระเวสสันดรและพระนางมัีในป่าอันหน่าหวาดกลัวว่า พระองค์เป็นพระราชาผู้เป็นใหญ่แห่งข้าพระบาททั้งหลายขอทั้งสองพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดรับเสวยราชสมบัติเป็นพระราชาแห่งข้าพระบาททั้งหลายเถิดบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าเสียงโคโซได้แก่เสียงแห่งความกาลุนคําว่าประนมมือถวายบังคมปัญชลิกาความว่า ชาวพระนครชาวนิคมและชาวชนบททั้งหมดตางประคองอัญชลีคำว่าพระมหาสัตว์ทูลวิงวอนตัดสะยาจันติความว่ามอบลงแทบพระบาทแห่งพระเวสสันดนรร้องไห้คร่ำครวญวิงวอนว่าข้าแต่สมมุติเทพขอพระองค์จงเป็นนายเป็นใหญ่เป็นบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย มหาชนประสงค์จะอภิเศกทั้งสองพระองค์ในที่นี้นี่แหละแล้วนำเสด็จสู่พระนครขอพระองค์จงรับสเสวตฉชัดอันเป็นของมีอยู่แห่งราชสกุลฉะคติยบับพะวรรณนาจบ